โดยพอรอย่างไรให้ได้ผลดีจริงพูดดีทำให้คนอื่นรื่นหูเป็นเหตุให้หน้าตาตนเองสดชื่นเมื่อฝึกจนกลายเป็นของปกติเป็นธรรมชาติของจิตเป็นวจีสุจริตที่เกิดสม่าเสมอเป็นอาชินกรรมแม้คุณพูดธรรมดาแต่คนอื่นก็รู้สึกเหมือนเทวดาประธานพร์ให้ ความปรารถนาดีหวังประโยชน์สุขต่อผู้รับพรจริงๆขณะกล่าวอวยพรจิตจะอยู่ในภาวะแผ่เมตตาครู่หนึ่งซึ่งจะมีกำลังมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุคคลตัวอย่างที่เห็นง่ายได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายอวยพรลูกถ้าเป็นลูกหลานหัวแก้วหัวแวนจริงๆกำลังของเมตตาจิตซึ่งแผ่ซ่านออกมาอย่างล้นหลามจะเป็นที่รู้สึกชัดแก่คนรับ ฟังแล้วชื่นหกชื่นใจยิ่งถ้าหากเป็นผู้ทรงคนใหญ่เช่นพระอาริยบุคคลให้คําอวยพรคนธรรมดาทั่วไปฟังแล้วจะสามารถสําเนียกถึงพลังอบอุ่นยิ่งใหญ่ที่แผ่มาปกคลุมตนและอนณาบริเวณรอบข้างโดยแทบไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นอุปาทานหรือของจริงหากรังเกียจโลกที่เป็นแต่ศาสโคลนใสกัน อ่นธรรมะใกล้ตัวด้วยกันนึกถึงธรรมะในใจคนเรือนหมื่นที่แหล่งทางเดียวกันจะรู้สึกว่ามีเพื่อนถ้าเกิดปีติในธรรมอย่าลืมหันไปข้างๆเอารอยยิ้มและคําพูดอันสว่างสวยัยสาสตร์ใสให้กระทบหูกระทบตาคนใกล้ตัวนี่แหละเย็นจริงอะไรจริงกว่า น, น้ําประปาและน้ำฝนเยอะเรามาช่วยกันสร้างโลกที่มีการศาสตร์ธรรมใสกันถือเอาวันนี้แหละ รอมคิดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวจะรู้สึกสว่างและเป็นสุขจริงไม่ใช่การวอวยพรขึ้นปีใหม่แบบหลอกหลอก